วันนี้ก็เราก็สวดอพิธรรมไปแล้ววั น, นี้เราก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลคือเราสวดกันเป็นแบบบาลีทีนี้เราก็สวดเป็นภาษาไทยของพวกเราเราแล้วเราก็จะได้รู้ ทมอันความที่แท้จริงเราที่ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราหมดความสงสัยเราหมดความสงสัยว่าเราต้องตายแน่แต่ว่าเราไม่สงสัยความตายของเราเลย เราพยายามเรารู้แล้วว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแน่แล้วอะไรที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นพระองค์ยังว่าพึงยังมีอยู่เราควรเข้าไปใส่ส่วนใส่ส่วนกันความแท้จริง ที่ในรูปนามขันห้นาอเยตนะเนี่ยเมื่อเราไม่เข้าไปใส่ส่วนที่เรามากทำกรรมฐ า, านนี่แหละธานแปลว่าเป็นที่ตั้งของใจของจิตที่เราจะเข้าไปรู้ได้ที่เราจะเข้าไปเห็นได้ที่พระสวนนี่น สวดเรื่องในกายในใจของเราไม่ใช่สวดที่อื่นเลยเรื่องชานปติโยเนี่ยพวกเรากำลังทำกันอยู่กำลังทำใจกันอยู่สมรวมอินรีอินรียปติโย อินทร์ปฏิโยชาณปฏิโยเรากำลังทากันอยู่นี่แหละกำลังกาลังนั่งกำหนดสังขารร่างกายของเรานี้เป็นธรรมเครื่องไม่เทียม ไม่เที่ยงเนี่ยมันต้องเป็นทุกเนี่ยเราพระองค์ถามขนแจกบาทขนแกสังขารเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าไม่เที่ยงเป็นอะไรเป็นทุกพระเจ้าข้าเนี่ยได้พระโสดาเลยเนี่ยได้โซดาถามเท่านี้แหละได้พระโซดาไปแล้วพระองค์เนี่ย มือเห็นพระองค์แล้วเนี่ยมันสงบพอพระองค์ถูกถามก็น ท, นท่านนั้นคํานีำนก็เปิดเปิดให้รู้ให้เห็นขึ้นเลยจึงเรียกพระริยมร ก, ก็เกิดขึ้นเลยพระริมร ก, ก็เกิดพระโสดามรสกิทาขามรานาขานมรหัตมรรม นี่ก็เกิดขึ้นกับที่พระองค์ถามนั่นแหละเพราะเราความสงบนั่นแหละทำที่จะรู้ความเป็นจริงได้เมื่อเราสมรวมอินสีสังวรสมรวมระวังอยู่นั่งทาใจนิ่งอยู่นี่แหละอินสีปฏิโย เราสมรวมอินสีให้แก่กล้าขึ้นฌานปัจโยฌานก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติได้นี่ฌานก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติได้ที่สิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นได้ที่ไม่เห็นก็เห็นขึ้นได้ แต่อินทรีย์นี่มันดีขึ้นเหมือนอย่างที่อาตมาแนะนำอยู่นี่แหละอินทรีย์ปัฏิโยเราสมรวมอินทรีย์อยู่เป็นอันเดียวกันหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นอันเดียวกันแล้วเมื่อสมควรอินทรีย์นี่แก่กล้าแล้วฌานปฏิโยฌานก็เกิดขึ้น ฌานก็เป็นบาทของวิปัสนาญาณญาณก็เกิดขึ้นญาณก็รู้ขึ้นญาณก็เห็นขึ้นอย่างนี้ก็รู้ว่าความแก่เจ็บตายเนี่ย ม, มีจริงรู้ในการว่าความแก่เจ็บตายนี่มีจริงรู้ความว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็มีจริง ธรร ม, มะนี่แหละเป็นเครื่องเจริญธรร ม, มะนี่แหละเป็นเครื่องออกจากทุกขหนำออกจากทุกข์ไม่ได้สวดพีรักสวดให้พวกเรานี่ละค่อยใจขึ้นขึ้นแล้วจะได้โซดาภัฏิผลโซดาภัติผลก็จะได้เกิดขึ้น มีทั้งมัคมีทั้งผลมีทั้งสกิทาคามัคสกิทาคาผลอนาคามัคอนาคาผลอรหัตมัคอรหัตผลจึงเรียกว่ามัคสี่และผล4ี่ทั้งสี่องค์นี้ประชุมกันพร้อมขึ้นแล้ว ย่อมจะให้รู้ธรรม ท, ที่ที่รู้แจ้งที่พระองค์แสดงธรรมไว้ <c oughs> เราก็ต้องมีเพียรมีมันให้มากขึ้นเท่าไร <c oughs> เพราะเราไม่ประมาท <c oughs> เพราะพระองค์เป็นผู้แนะ <c oughs> เป็นผู้แนะนำพวกเร า, <c oughs> เ, ราเราก็ดูส เราก็ทำทำที่เหม็นประดับศกเนี่ยมึกขุนดับไปแล้วเนี่ยเราก็ทำอาชาประนกิจมีทั้งเครื่องประดับประดาแล้วทำนี่แหละเป็นพิมพ์ยีดอกไม้ศพ <c oughs> ประดับ ทนี่และทั้งมีอนิจังด้วยแล้วทั้งมีปานิชด้วยมีทั้งรู้ความเป็นจริงอานิจังเนี่ยความมันสลายตัวไม่ยืนยง่นคงอยู่ได้เป็นอยู่แล้วเราก็พยายาม ทำพิจารณาดอกไม้นี่แหละเป็นเครื่องอนิจังเป็นเครื่องอนิจังและเป็นเครื่องทั้งไม่อนิจังจึงพระทศวรรษว่าอพยคตาทำเป็นอพยกฤตไม่ปรนไม่แปรเห็นทั้งปรนแปร และเห็นทางไม่ปวนไม่แปจรจึงเรียกว่าปารมัตปารมัตถ้าปารมีเป็นธรรมที่เราควรศึกษาไวให้ดีแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงแล้วจะได้รู้ท้งโลกนโลกนีและท้งโลกหน้าเทวโลกสมบัติเป็นยังไง เหมือนจะว่ากับพกเราเลยหมู่เทพเทวดาเขาก็ยังรอยกรองทำสการะบูชาซึ่งดอกไม้หรือของหอมเป็นที่ดีของมนุษย์และเป็นที่ดีของพกเทวดานี่ทำทั้งหลายไหลามาแต่เหตุ เมื่อเราทำดีดีก็ไหลมาหาเราเมื่อเราทำชั่วชั่วก็เกิดขึ้นกับเราเพราะอย่างนั้นเราวันนี้มาเตรียมพร้อมซึ่งตั้งศพกันไว้ที่ในหลงหีบแก้วนี้มีทั้งของ หมายการมือสมัยพระองค์นะมือไขแตกดับขึ้นแล้วเนี่ยไม่เป็นอัปมงคลเป็นมงคลสวดธรรมะและรู้ซึ่งความเป็นจริงสวดกันเขาก็กลับได้พระโสดาสกิทาคาอนาคาคนชาบ้าน เพราะอัศจรรย์พะมีบุคคลที่แตกดับหมดลมไปแล้วความเคลื่อนไหวก็ไม่มีดุกระดังว่าเหมือนอยังกับไมยทอนไงไมยทอนที่เราหักขาหักแขนข้อศอกหมดตัดน้ดตัดนี่ จะรวมขึ้นดุจประดังว่ามีไม้สักหอบหนึ่งเท่านั้นเองในตัวเราของเราเพราะอันนี้แหละทำที่ว่าคนตายนี่จึงนำมาเอามรคลให้เกิดขึ้นกับเราได้ดูเราก็จะพิจารณาโอความเหี่ยวแห้งโรยรา ว่าอานิจังไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้นอแล้วทำนี่แหละทำที่อพยกตาทำเนี่ยก็จะเกิดทับขึาา้นมา เ, เ, เ, เห็นทั้งไม่เที่ยงและเห็นทั้งเที่ยงเห็นทั้งไม่เที่ยงและเห็นทั้งปะนิ์นี่เพราะอย่างนี้จึงเรียกว่า ซึ่งว่ามีดวงตาเห็นธรรมธรรมะก็เจริญขึ้นกับพระคนพระสวดาก็จะเกิดอยู่กับขนชาวบ้านที่รู้จักอนิจจังความไม่เที่ยงแล้วอะไรเ้าที่ไม่เที่ยงแล้วที่ดับทุกได้ก็ต้องรู้ความเป็นจริงนั่นแหละ ปรมเนี่เป็นธรรมที่ไม่ตายพระองค์จึงสอนให้รู้จักเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยกำลังแต่งใจกันในวันนี้อ่ะแต่งใจดูสิมือลุงพ่อมาไหลก็อุบาศกอิ่มมือแตกดับแล้ว เราก็ประดับประดาให้ที่ก่อนเราเคยทำดีกันมาเราเคยเลื่อมใสกันมาแล้วเราก็เอาดอกไม้เนี่ยมาสักการะบูชากันขึ้นแล้วธรรมนิกรรมนิมิตคตินิมิตสามนี้แหละจึงให้กึกก้องอยู่ในอายาตนะ คือหูตาของพวกเราสิ่งไม่ดีนั่นแหละทำให้ดีขึ้นได้ทำให้เช่นว่าเมื่อเราใกล้จะแตกดับเช่นนี้อีกเราก็จะเห็นเครื่องตั้งสาการะบูชาที่เราทำดีเนี่ยบนชั้นเทวโลกสมบัติแล้วแตกเป็นเครื่องทิพย์ทั้งนั้นทิพย์และสมบัติ ของผู้กระทำไว้แล้วอันยังดียังไม่ทีนี้ก็พอเห็นกรรมนิมิตคตินิมิตและปฏิภาคนิมิตความสว่างสวัยที่เราก็ทำไว้แล้วในขณะจะแตกดับความเน็ดเหนื่อยก็ไม่มีอะไรกับผู้จะแตกดับเพราะหากได้ตายสมัย เพราะอายุ 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบพอออกจากร่างนี้ก็อายุสิบเจ็ดสิบแปดจึงว่าสิ่งอะไรสิ่งนั้นเป็นของเสื่อมของเสื่อมและของเจริญมันอยู่ด้วยกันนี่เพราะขอให้พวกเราทั้งหลายกำลังฝึกสมาธิอยู่ เพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงที่เราได้กระทำใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์พระเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยเจ้าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะรู้ขึ้นเองเราก็จะเห็นขึ้นเองปัจจตังรู้เฉพาะตนนี่ ทำนี่แหละเป็นเครื่องไม่ประมาทคือพวกเรานี่แหละที่มากระทําพร้อมกันในวันนี้ในเวลานี้กี่วันแล้วนี่เราพยายามมาเฝ้าทำจิตใจเ้ามักผลให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเครื่องปิดบังขันห่านั่นแหละขันห่านั่นแหละมันปิดบัง รูปขันก็ร่างกายของเรานี่แหละหนามขันก็ครูดีรูชั่ว น, นี่แหละเป็นนามธรรมเป็นนามทิพนามกองบุญหนามกองบาปมีอยู่ในตัวเรานี่แหละเราก็ไล่ความชั่วความไม่ดีความไม่ชอบมันก็จะดับไปขัน ขานวิมุตตก็หลุดพ้นเราก็เป็นพระรีจ้าซึ่งตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาหรือพร ะ, ระหันที่เราก็ทำอยู่นี่แหละพึงว่าตั้งใจจิตใจจมนงกรงไปพระนิพพานพระเพ่งเลงทำ จ, จิตใจให้เป็นหนึ่งอยู่ เมื่อจิตใจเป็นหนึ่งเมื่อไรเราก็จะเปลี่ยนความรู้เราก็จะเปลี่ยนความเห็นแน่นอนนี่เพราะเราต้องสนใจให้มากพระองค์กระชับหรือตักเตือนแนะนำเราไม่ให้ประมาทเพราะการไม่ประมาทนั่นแหละ มันก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมอะไรประมาทนิวรณห้านั่นแหละแล้วที่เราทำพอนิวรณห้านี่มันดับเราก็จะประกอบได้องหา้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาปุมมรรคก็จะเกิดได้ตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้ของมรรคผล ว่าพระองค์นะนำให้เข้าถึงหลักแล้วเราก็รู้แล้วเราก็เห็นแล้วนี่เราไม่เคยรู้เราก็รู้ขึ้นเราไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นได้บางคนทำจิตใจจิตนี้เข้าระวังแล้วสบายกายสบายใจบางคน บางคนทำจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นกายก็เบาใจก็เบาหลับตาก็เหมือนว่าไม่ได้หลับนี่จิตมันเข้าผวังแล้วพึงให้รู้นักปฏิบัติที่นี่นักปฏิบัตินี่ก็จะมีศรัทธา สถาปสัทวความเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธเจ้าโอพระองค์ก็รู้อย่างนี้แล้วก็แนะนำจ้าวกให้รู้อย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าให้ปรปปฏิบัติในปฏิปะถามสี่เนี่ยเป็นดำเนินงานโครงงานที่จะไปสวรรค์ไปนิพพาน คนประเภทนี้แหละคนประเภทเทียงเรานั่งอยู่นี่แหละนี่แหละเป็นธรรมที่ที่เราเพึงจะได้จะถึงเรานึกว่าเราอยากจะหลับนี่แหละไอ้นี้แหละความเกิดถึงนั้นน่ะมันเป็นตัวทุกข์เพราะ มืดจิตของเรารู้เราเห็นแล้วเราก็พยายามศรัทธาวิริยะความเพียนมันก็ตื่นขึ้นทีนี้มันก็ตื่นขึ้นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พอมันรู้จักว่าหลับตานี่เราไม่ได้หลับเราเป็นคนลืมตา คนลืมตาเนี่ยมันเป็นคนที่หลับตาเนี่มันกรงกันข้ามเมื่อเรือนเราใส่ประแจสแลว้วเราอยู่ข้างนอกแล้วเราจะไปเห็นอะไรในภายในเหมือนนิงอตมาที่ใส่ด่านหรือ ป, ประตูไว เมื่อโยมเข้าไปแล้วก็จะเห็นอะไรเห็นพระพุทธรูปเห็นดอกไม้อยู่ในนั้นอะไรไรก็เห็นหมดละมีไราี้อย่างขี้อย่างก็เห็นในใจของเรานี่ก็เหมือนกันเถ้าเราอินเสียดีแล้วเราจะเข้าไปได้เข้าไปได้แล้วเราจะเห็นบุญเห็นบาปโดยเราเป็นผู้ เป็นผู้เจริญเป็นผู้เจริญทำเขาเถอะรับรองว่าจะต้องเห็นอย่างแน่นอนไม่พ้นความเพียรของเราได้พระองค์เป็นผู้รู้จักธรรมแล้วเป็นผู้แจกจ่ายธรรมให้กับพวกเราพวกเราก็พึงดีใจว่า ได้มาพยายามจะทำผมขนเล็บตันหนังเนื้อเส้นเอน็นกระดูกเมื่อจิตเข้าหวังแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วย่อมเจริญวิปัสนาเมื่อจิตเป็นหนึ่งคำนี้ก็จะตื่นขึ้นมาได้ขณะจะแตกดับ เขาได้ยินพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วจะไปไหนก็เทวโลกสมบัติในผ่านสมบัติยังแน่นอ น, นเพราะอย่างนั้นว่าพระวัุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสทาโสทีขอผู้ใดได้ทิพะโสรแล้ว จะได้ยินเสียงใกล้ไกลตลอดกระทั่งเสียงเทวดาก็จะได้ยินได้ตานี่ก็จะเห็นเรื่องมนุษย์ใจดีมนุษย์ใจไม่ดีตาก็จะเห็นนรกได้เห็นสวัสด์ได้จึงเรียกว่าตาทิพย์นี่ทิพย์พระโสรทิพพระจักขุและลึกชาติได้ น, นี่หลักวิชาสากขอพวกเราพยายามทำอินทรีย์สังวรให้แก่กลาขึ้นฌานย่อมไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดทำให้สงบอย่างเดียวแล้วจะได้ไม่ตายอีกนี่ให้มันตายจะครั้งนี้ครั้งเดียวผู้ไม่ตายจะตั้งก็ยังไม่ตายนี่เลย ผู้เห็นผู้เห็นทั้งเสริมเห็นทั้งความดีแล้วโซดาจะไปทำบาปได้สมบุคคลทำบาปไ ม, ไ, าไม่ได้นั่นแหละโสดาคนผู้เท็จไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละโซดาไปลองดูสิอย่างนี้ก็จะเข้าถึงหลักหลักธรรมะ ที่พระองค์ทรมเทศนายังแน่นอนพูดเท็จไม่ได้โกหกไม่ได้นั่นแหละโซดาพูดจริงทาจริงเจริญจริ ง, รงเมือนเราจุดทูบไว้เนี่ยเรานั่งกับประถานแล้วดูไหวไม่ทูบไปไหวไม่ทูบไป พอมันไหมชังคุนหมดแล้วทุกก็ไม่มีไม่ใช่หรือทุกก็ไม่ไม่มีนะหมดทุกเถียนเราว่าเถียนจุดเถียนเถียนไม่ลงไปไม่ลงไปไม่ลงไปไม่ลงไปไม่ลงไปไม่ลงไปหมดเถียนไฟก็ดับเถียนก็ดับ ทำอะไรเป็นเครื่องรู้ความเป็นจริงทำอะไรเป็นผู้รู้ความเป็นจริงดอกไม้มองดูเหี่ยวเหี่ยวเี่ยวเหียวสวดไปสวดไปมันทำพร้อมพร้อมพร้อมก็นก็ปีติมันก็จะเกิดในถึ่งที่เราสวดขึ้นเพราะนิวอน์มันดับแล้วก็สวดให้นิวอน์มันดับ ดีก็มันนั่งวงนั่งเหล่าอยู่สับงบกับงบกับนั่นแหละคนเรียกว่าทีนัมมิทธะความเข้าครอบงำนักปฏิบัติก็จะรู้ไม่ได้ละรู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ ล, ละแลลึกชาติไม่ได้ละทีนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ พูดนี่ข้างหลังได้ยินเปล่านั้นเนี่ยได้ยินไหมก็ค่อนชัวหน่อยพระทรงก็สวดญาติโยมก็สวดอาตมาไม่ต้องสวดคอย้ังฝ้าคอยรับคอยนั่งรับความสวด ทีนี้เราที่อยากให้มีอายุยืนเนี่ยก็ต้องมีการอานิสงปล่อยปลากันปลาวันนี้ที่เขาจะต้มแกงมันในอำเภอสัมชุกเนี่ยเราก็ไปซื้อไปซื้อมาปล่อยปล่อยในวัดนี่ไปไหนไม่ได้ กำแพงเราล้อมรอบไปแล้วเราก็จะนี่แหละจึงว่าให้ชีวิตเขาชีวิตเราก็ได้นี่นี่ที่เราปล่อยปลาเนี่ยเราเคยฆ่ามันเราเคยนั่นมันเราก็ไม่ฆ่าไม่ไรเรามีสินมีทำเสร็จ แ, แล้วเราก็ปล่อย มันจึงจะเหมาะสมว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ดกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดดดียกันนี่แลละเราอุทิศบุญให้กับปลานี่แหละเราก็เห็นปลานี่มันเป็นเพื่อนเกิดเจ็บตายเหมือนกันกับเราทีนี้เราก็ไปถ่ายโทษเอามันมาเรามีเงินก็เอาเงินไปแลกเปลี่ยน เอามาปล่อยกันในจริงเรียกว่าเราต่ออายุปลาให้มันมีชีวิตอยู่ไปต่อๆไปเราก็คงจะได้มังนะอาจเหมือนสมณิพนธพระสาธิบุตรนะท่านก็ได้ <c oughs> ได้ดูแล้วเข้าไปข่า ย, ยานของ พระสารีบุตรว่าสมณเณร น, นี้อีกเจ็ดวันจะตายไงก็เลยบอกกับสมณเณรว่าสมณเณรอีกเจ็ดวันนะสมณเณรจะตายแล้วนะนี่สมณเณร น, นี่จะตายแล้วนะอีกเจ็ดวันสมณเณรก็ฝังพระสารีบุตรบอกบอกเ่าก็ ออกเดินทาแต่ไปบอกโยมว่าอีกเจ็บหวันเนนจะตายแล้วพระสัทิบุตรท่านบอกนี่สมณเณรก็มันก็คงมีความสลดใจมั้งนะคนพอพูดถึงเรื่องตายนี่ก็กลัวทีนี้ก็เดินไปเดินไปผ่าทุ่งไรทุ่งนา ก็ไปเจอปลาเนยมันตกกระลุกอยู่นะเออปลานี่ก็เหมือนชีวิตเราจะตายแล้วเหมือนกันกับเราว่าเจ็ดวันนี้เราก็จะต้องตายแต่เราก็จะไม่ให้ปลาตายแล้วว่าไนก็ช่วยปลาทำความช่วยปลาเอาไปปล่อยน้าที่หนองลึกๆ ปลานั่นก็ได้มีชีวิตอยู่เวาะเนนเพราะครบเจ็ดวันเนนก็ไม่ตายเนนก็ไม่ตายภาษารีบุตเอเนนนี่ไม่ตายนี่นาทีนี้เนนต้องตายแล้วเจ็ดวันเนนไปทำอะไรถึงไม่ตายเนนก็บอกบอกระผมที่เดินทางก็ไปบอก พ่อแม่ว่าเจ็ดวันจะตายก็ใส่ว่าไปเห็นปลานั่นแหละหน่อมันแห้งทีนี้ก็ปลาก็ก็นึกว่าปลานี้ก็เหมือนกับสมณเนนจะตายในเจ็ดวันนี้แหละ mm hmm. แต่ก็คิดนึกว่าเอาปลาไปปล่อยที่น้ำลึกๆปลาได้ได้มีชีวิตอยู่ก็ได้ปลาไปปล่อย นั่นเองสมณเ็นเก็เมื่อถึงเจ็ดวันนี่ก็ไม่ตายพระสาริบุตรก็บอกเออนั่นแหละเณนได้อานิสงส์ที่ปล่อยปลานั่นแหละสมณเณถึงไม่ตายเติมไม่ตายแล้วก็ทำความเพียรให้มากๆขึ้นนะสมณเ็นเก็ทำความเพียรมากขึ้น อายุอยู่ถึงรอยรอยยี่สิบปีรอยยี่สิบปีสมณ น, นมีชีวิตอยู่จึงข้าพระินฝานบรรลุพระอรหันด้วยนี่เราก็ที่จะทมนี่ก็คิดนึกอยู่ว่าอย่างนี้แหละช่วยช่วยสัตว์ที่มันจะดับในในขณะนี้เขามาขายแล้วเขา ก็ต้องเข้าหมอกแงงเข้าไปแหละเราก็ท่ากัว่านักโทษกำลังเขาจะตัดหัวมันอยู่แล้วและเราก็พยายามไปเอาปลาตัวนั้นมาปล่อยซะมันก็ผนโทษไม่ถึงกาเขาประหารชีวิตมันได้เราก็คงจะได้รับผลดีบ้างเหมือนกัน อั น, นี้ส่งของเราที่ปล่อยปลาอย่างนี้จึ ง, งเรียกว่าเหมาะสมว่าเป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกัน น, นี่แหละนี่แหละเราเอาเงินไปซื้อปลามานี่แหละจึงจะเหมาะสมกับที่ว่าเป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราสิทธิบุญกุศลให้หมดด้วยกันนี่มันถึงนแน่ถึงกระสวดแน่ถึงกระสวดจริงน่เราพึงว่าเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนเรามีสินธรรมดีแล้วเราก็ตังต้งใจว่าเราก็เป็นเทวดาองค์หนึ่งพะ เรามีสิน้นรักษาไว้สิ้นอันเรียบร้อยดีแล้วเราก็นุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวพระอ่อห่มผ้าเหลืองโกนศีสะและเราจะมาเบยดเบียนกันถึงจะว่าไปสักเท่าไหร่บุญมันก็ไม่เกิดได้ว่าแล้วมันเป็นจริง mm hmm. ขอก็ได้หรือของใครจะตกหล่นอยู่ที่ไหน เราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ของเราเราก็รู้ว่าเรามีสินธรรมดีเราก็ตัดโลกโกดลงไปจะได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเราเป็นศักยบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี่นี่แหละเรียกว่าตัดสินตัดสินใจเคยโลกเราก็ไม่โลก เคยหลงเราก็ไม่หลงนี้แหละมันจะเป็นพระเป็นฉีกันได้ก็ที่ตรงนี้แหละเถ้าหากว่าเพราะปานาทิปาตาเวระมณีหลวงวรสัมภีเราก็มีแก้วหนึ่งดวงไม่ขาสัตว์อทินาทานาเวระมณีเราก็มีการเราไม่หลักศัพท์ เราก็มีแก้วหนึ่งดวงพระธรรมจรรย์เวรมนีเราเว้นซึ่งการมคุณซะแลว้วไม่ให้มาติดต้องกายใจเราเราก็มีเวรมนีซะดึงดวงเป็นรักษาพระมจรรย์บริสุทธิ์เนี่แล้วก็มุสาวาทเวรมนีเราก็วันนี้เรามีสิน เราก็จะไม่โกหกเราก็มีแก้วมณีไ ว, ว้หนึ่งดวงนี่สี่ดวงแล้วนะแก้วมณีของเราสุราเมริยมระมัจจปมาทฐานเาวรัมณีมีแก้วระมะนีไว้ห้าดวงแล้ววิกาลโภชนาเวรัมณี เราเว้นไม่กินข้าวเย็นเรารู้ว่าเวรอมันีเราถือแก้วไว้หนึ่งดวงนี่ถ้าเราไปกินเขาเล่าแก้วนี้ก็หล่นมือแตกซะแล้วแก้วนี้ก็ไม่มีที่รักษากายใจของเราได้นี่เมื่อเรายิ่งนี้แล้วก็ทีนี้ก็วิการลโภ เราก็จะต้องเบนเข้าเย็นใจดีจาขายมืแค้งเคินให้กินก็ไม่เอาละแขนงไงไงก็ไม่เอา แ, แก้วหนึ่งดวงนี่ก็ใสสะอาดดีแหละมีตั้งหกดวงแลง้วเนี่นัตเจคีอีกละเราก็รักษาไว้เรียบร้อยดีก็เจ็ดดวงละ อุจาระปลูกใหญ่ยัดได้นุน่นสำลีเราก็ไม่นอนอนี่ละเวนเนี่ยมารักษาสิ้นเนี่ยในตัวสลาดเนี่ยซึ่งว่าสลาโรงธรรมที่นี่เป็นโครงงานของนักบวชมีแก้วแปดดวง และ8แปดดวงเนี่ยตั้งไวค้คู่กันเนี่ยแสงนี่จะเกิดขึ้นไปสว่างสวัยไปไม่รู้ว่าขี้ไรนานี่แล้วที่เรามีแก้วแปดดวงเนี่ยห <c oughs> ลับตามองดูแก้วตาของตัวเองล้างใส่สะอาดแล้วสว่างสวัยออกจากร่างกายของเรา ไม่รู้ว่าสว่างไปถึงขนาดได น, นี่เหมือนเจ้าพายุเราจุดขึ้นดวงนึงเนี่ยแล้วมันมืดเนี่ยมันจะถีบแสงมืดไปรู้จักว่าโดยรอบของดวงตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันจะสว่างไปขนาดไหนนี่แล้วถ้ายังว่าวิทยุก็เออเจ้าพายุนี่ก็ระวางมากละ เอาแสงจันทร์เข้ามาใส่อีกแสงจันทร์นี่มันจะสว่างไปขนาดไหนนี่มันจะถีบความมืดออกไปนี่แล้วนะักเจ้าของตะเกียงมันยังไม่รู้ได้เลยเจ้าของตะเกียงมันก็จะรู้ว่าสว่างดีนี่เพราะอย่างนั้นจึงว่าให้หลับตาทําใจให้สงบแล้วแก้วมั น, นีจะได้สว่างสวยัยควรยินดี จึงนี่เรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นกับกายใจของเราแล้วก็ตาทิพก็จะเกิดขึ้นหูทิพก็จะเกิดขึ้นโสตถีโสตถีสัว่าทิปพประโสตทั้งหูจะได้ยินเสียงมนุษย์และเทวดาก็ได้นี่เรียนลิกชาติของตัวเองก็ได้นี่ จึงเรียกว่าหลักวิชาสามของเราถ้าเรามีขึ้นอย่างนี้เราปฏิบัติได้ก็จะไม่รู้ได้หรือว่าเรามีทำเงี้ยานะจมูกก็ไปทำปฏิบัติที่ไหนมันจะหอมกลิ่นทุกกลิ่นเทียนเข้ามาหรือหอมดอกไม้เข้ามา เรียกว่าคาณนาะวิญญาณคือจมูกแต่มันไม่มีดอกดอกไม้ดอกไม้ไมตำรณีไม่มีดอกแต่มันดอกไม้ทิพมันเกิดขึ้นก็ทางช่องจมูกเงี้โสตะวิญญาณที่ว่าทิพโทษนะคือได้ยินเสียงกล้ไกลมนุษย์ จะติเตียนเราก็ได้ยินจะชมเชยเราก็ได้ยินตาทิพย์ก็จะเห็นว่าคนสองคนนี่นะ่ะมันผิดหน้าชมเชยเราทางนี้ไอ้คนสองคนนี่มันติเตียนเราผิดหน้าไปทางนี้ตาทิพย์มันจะต้องรู้งานเห็นแล้วทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ ว, ลวก็ใครจะมารู้ก็เราละ เราก็รู้ว่าเรามีธรรมมีธรรมะมาวไวในใจที่เราก็ทํากันความสงบสงบอยู่เนี่ยก็เพื่อบ่มอินรีจะให้มันเกิดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมโนวิญญาณสัมผัสรู้ภายนอกรู้ทั้งภายในสัมผัสที่ดีจากขุสมผัส โสตะสัมผัสขานะสัมผัสฉิวห่าสัมผัสมโนโทางใจสัมผัสกระทบถูกต้องเย็นร้อนอดแข่งรู้ขึ้นในอารมณ์หกเนี่ยคนธรรมดานี่ไม่มีหรอกอารมณ์หกมีอารมณ์ห้าช่องนี้แหละคนที่ปฏิบัติจะมีอารมณ์หกได้รู้ทางใจได้ นี่เพราะเมื่อเรารู้จัก <c oughs> กิเลสตัณหามันจะดับไปแล้วธรรมะมันถึงจะมาเกิดในช่องนี้ได้นี่เพราะพวกเราเราแล้วของดีมันอยู่ในตัวเรานี่มันไม่อยู่แล้วไม่โลภก็มีไม่โกรธก็มีไม่รักก็มีไม่ฉังก็มี ธรรมะมันอยู่เฉยๆจึงเรียกว่าสงบพวกเราไม่อยู่นี่น่ะความสงบดียังอะไรกิเลสตัณหามันมีที่ไหนนี่ถ้ามันมีขึ้นมาเราก็รู้นี่เพราะเรารับสิ้นไว้แล้วรู้รู้แล้วเราก็ห ย, ยับหยังสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นกิเลสตัณหามันก็ดับไปจึงเรียกว่าขนผู้ฉายก็เรียกบาสก ผู้หญิงก็เรียกบาสิกาไงเป็นผู้เป็นนักบวชไงบาศกก็มีสินห้ามีสินแปดเงินเราก็ทาไวในกายในใจแล้วเราก็จะมีความสุขกายสุขใจของเราแล้วใครจะมารู้อะไรของเราได้ลนะ่ะใครก็ไม่รู้ของเราได้หรอกเราก็รู้ของเราเองปัจจตังรู้เฉพาะตน เราก็เห็นเฉพาะตนเราสติสมบันิสัญญาก็ดีขึ้นเงี่แล้วก็จะต้องไปถามไขธรรมะไม่ต้องไปถามไขแล้วก็ตัวเองมันเกิดขึ้นแล้วมันมีขึ้นแล้วและสิ่งลรนั้นมาดับไปโลภโกดลงมันดับไปทามไม่โลบไม่โกดไม่ลงมันก็เกิดขึ้นเงี่ถ้าเรามี่ย่างนงี่ขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้สินะ อย่างนี้ที่เสนอแนะไว้นี่ก็อยากให้โยมรู้ตัวขึ้นสินะเมื่อรู้ตัวขึ้นนะมนก็ดีใจใจก็เบิกบานานี่ทีนี้มันก็ละบาปเป็นบาปได้มันก็มีตะกองบุญตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญจมูกก็เป็นบุญนี่เมื่อใจไม่ทำบา กายมันก็ไม่ทำบาปด้วยหรอกเพราะใจมันต้องสั่งใจเป็นบุญซะแล้วใจก็เป็นบุญจิตก็เป็นบุญแล้วมือจะไปทำไงได้หรอหมือก็ทําเป็นเครื่องเป็นเครื่องชชยของใจนี่เหมือนยังคนเป็นอามาพาตซะแล้วนั่นล่ะ เลื่อนหลมมันไม่เดินแล้วหหล็กมันไม่ดีแล้วมันก็ยกไม่ได้ใจนี้ก็ไม่สบายเลยเคยยกได้ก็ไม่ได้นี่มันก็เป็นอนิจังเพราะธรรมะรู้แล้วว่าเรามีใจธรรมะแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งยกไม่ขึ้นเราก็เห็นเป็นอนิจังความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้แล้วที่นี้ เมื่อจิตเราก็เบิกบานอยู่ใครจะมารู้ก็บเราล่ะนี่ใครจะมารู้ก็เร า, ร า, า, ร เ, ราเรานั่นแหละเป็นผู้รู้เรานั่นแหละเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนี่โลภโกรธลงมันหายไปซะและ้วอยากพูดชั่วก็ไม่ได้อย่าใหกกายไปทำชั่วก็ไม่ได้นี่ใจมันไม่ทําเสี้ยงเดียวเหมือนโซนนี่ โซเพนีมาฟังเทศประพุทธธจา้าบรรลุพระโสดาบันค้นค่ายตัวก็ไม่มีเลยนี่ที่จะทำยังทุกวันทุกวันไม่มีพอโซดาเกิดขึ้นในใจของโซเพนีโซเพนีมันก็ดับไปโซดาก็เกิดขึ้นนี่ อย่างนี้นะพวกเรานะที่พูดนี่ก็พูดว่าจะให้เข้าไปถือให้เข้าไปยึดเอานะเด็กปลดจิตใจให้เข้าไว้นะแล้วเมื่อมันสําเร็จขึ้นแล้วมันก็จะต้องรู้รู้อย่างที่พูดนี่แหละนะ mm hmm. ทีนี้โสวินีเนี่ยมีฮิริความละอายต่อบาปจะดุ้งต่อบาปกลัวต่อบาปละอายบาป เลยขายตัวไม่ได้เลยมีเศรษฐีคนหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งพ่อแม่ใจบุญแมเรามีลูกชายทำไมจะให้ลูกชายเราได้บุญได้เนาะเลยจ้างลูกชายเนี่ยให้ไปรักษาโบสถ์ทีนี้ลูกชายก็ ควาอยากได้เงินก็ไปก็ไปไปก็ไม่ได้ฟังเทพฟังธรรมไมนอนไม่นอนแล้วก็มาเศรษฐีก็สังเกตลูกชายว่าไปทําฝังไปรักษาโบสถ์ละ่ะพระพุทธเจ้าสุานทรยังไงลูกชายเราจะได้รู้ธรรมะ ม, มาได้มั่งหรือเปล่าก็สังเกตลูกชาย พอพอหมดโบสถดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็พอลูกชายมาก็รีบนับเงินให้เลยรีบนับเงินให้กับลูกชายทีนี้พอวันวันพระหน้าอีกก็จ้างให้ลูกชายไปอีกลูกจ้างก็ดีใจว่าพอ่อมให้เงินก็ไปไปก็ ไปเม่ตาคีวันพระตาคีวันพระแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาบอกพ่อแม่มื่เลยทีนี้หนูวันนี้พ่อก็ให้แม่ก็ให้นะให้หนูไปฟังไปรักษาบโบอร์สดนะถ้าจาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาได้แม่จะให้อีกให้มากกว่านี้นนะ วันนั้นก็คืออยากอยากจะได้เงินที่พ่อแม่มากมากพอเท่าจํามาได้แล้วก็แม่จะให้เงินมากพ่อก็จะให้เงินมากที่นี้ก็พ่อพระ อ, องค์เทศก็เข้าไปฝังเข้าไปฝังพระ อ, องค์ก็เทศเทศไปเทศไ ป, ศไปก็เกี่ยวเกี่ยวมาการเศรษฐีจังลูกชายมาลูกชายนั้นมันลุ พระโสดาบันเลยทีนี้พระวุุพระโสดาบันนะึกก่อนนี้พ่อแม่จ้างเรามาความอยากได้เงินก็เรามารูธรรมะนี้ก็เราละอาจใจกลับไปนี่คงพ่อแม่จะให้เงินเราคงจะไม่ต้องรับแน่นอนอ เพราะตัวเองเป็นโสดาบันแล้วพ่อพ่อแม่นับเงินให้ก็อายอายพ่อแม่บอกท่านไม่ต้องการเงินที่จ้างไปให้ฟังเทศลูกก็ไปฟังเทศมาคือรู้จักทำให้ริความละอายพ่อแม่เนี่ยมีการรักลูกที่สุดของพ่อแม่ แต่วัดนี้ลูกก็ไม่ขอรับเงินพ่อแม่ครับพ่อแม่ก็เลยสาธุสาธุาธลูกลูกผู้รู้ธรรมเห็นธรรมมาฉันใดพวกเราก็ที่ทำมเทศนา this ก็อยากให้เป็นไปตามนั้นแหละนะถ้าอยากให้เป็นไปตามนั้นเราจะสักสักแต่ว่ามารักษา รักษาแล้วก็ให้มันมีฤิความละอายตบะจะให้สักเท่าไหร่ก็ไม่อยากได้เลยเพราะเรามันเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่ดีมันสู้ไม่เป็นลูกจ้างขายดีกว่าาะธรรมะนิ่มเป็นเครื่องเจริญเชิดชูใจธรรมพระโสดาบันเนี่ยในโลกนี้จะว่าเขาร่ำรวยสักเท่าไหร่มันสู้พระโสดาบันไม่ได้ เพราะเครื่องใช้สรอยมันซักแต่ ว, ว่าตายแล้วก็ไม่ได้ติดตัวตามไปได้เลยซับโรนี้เป็นทาเครื่องบรรเทาทุกข์คุเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ธรรมะนี่แหละทําให้ส่งผลไปสู่เทวโลกสมบัติและในผ่านสมบัติได้เลิกความแก่ความเจ็บความตายสิ่ น, นี้มันเป็นคุณสมบัติอันที่สูงสุด เพราะพวกเราที่รักษาสิ่งเจริญก็มารักษาใจานี่เองไม่ใช่รักษาอะไรไม่ใช่เรามาบทเรียนและอยากจะอยากได้เงินย่งงูอยากได้เงินยางี้ทำให้เสียสิน้นเสียธรรมนี่จะเป็นเรียกว่านักบทชั้นดีได้ยังไงสุปฏิปนโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเน่ยมันดียัง ไ, ไงเนี่ยธรรมะดียังไง แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสุ ป, ปฏิโมเป็นผู้ปฏิบัติกรงแล้วนะมันกรงที่ไหนเงี้ยมันกรงตรงไหนถึงเรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีซื้อกรงนะเราลองคิดดูสิว่าเราคิดคตกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราซื้อกรงกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราลองถามใจเราดูบางสิ ว่าจะเป็นยังไงเราไม่หมดความเพลาะแลแล้วหรือยังเราคงถามใจของเราดูบางสิอย่างนี้จึงจะเรียกว่าคนรักษาสิน้นจึงเรียกว่าคนรักษาใจาแล้วคนประเภทไหนที่สุขปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยคนอย่างไรจรึงจะเรียกว่าคนจำพวกของพระพุทธเจ้าคนสี่คนเ น, นี่ยคนสี่คนเนี่ยคือใครแปดคู่สี่คนเนี่ยมันคือใครเนี่ยเราก็คงจะต้องรู้ว่าเรามันเป็นยังไง ใจของเรานี่มันโอนเอียงไปรือแปดคู่สี่คนนี่มันก็ไม่ใช่อะไรนะก็ดูสิเราซึ่งกรงต่อพระพุทธเจ้าเราอย่างหรือเรายังเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังหรือเรายังสงสัยยังถอนแข็งอยู่ในเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแนะนำหรือสั่งสอน ฐานบารมีท่านก็ทำแล้วฐานอุปปารมีท่านก็ทำฐานปารมัทธบารมียังไงชีวิตท่านก็หายได้นี่นี่เขาเรียกว่าฐานปรมัทธบารมี ฐ, า, มฐานนี่ชีวิตก็เสียสละให้ได้คนจะอยากได้อยากก็ได้ดวงตาก็ควักให้ได้ เผือจะตกแข่รู้ว่ามันอดอาหารก็โดดให้มันกินได้นี่จิติษฐานประมัทธารมีนี่เราก็ต้องควรจะต้องรู้นี่ต้องเราก็ต้องควรศึกษาเราเรียนหรือปฏิบัติใจว่าใจาของเรามันเข้าไปถึงกุงไหนมันพอใจแล้วหรือยงังนี่ <c oughs> อย่างนี้นะยโยมนะทุกคนปลากข้อคิดเสนอแนะไว้ให้กระยาตโยมทุกๆคนแล้วก็ไปถามใจไปบ้านนะก็ไปถามใจ